บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งแสดงธรรมบัญญัติวินัยธรรมหรือธรรมะเป็นหลักความจริงที่มีอยู่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาเปิดเผยแสดงไว้ตามปกติจึงพูดว่า ธรรมเทศนาแปลว่าแสดงธรรมหรือข้อความที่แสดงธรรมคําว่าธรรมบัญญัติพบใช้ในพระไตรปิฎกแห่งหนึ่งคืออังคุตรณนีกายปัญจการนิบาตแต่มีความหมายเท่ากับธรรมเทศนาหรือกว้างออกไปอีกหน่อยหมายถึงจัดวางหรือเรียบเรียงธรรมะให้เป็นรูปเป็นร่างฟังง่ายขึ้น ส่วนวินัยเป็นแบบแผนกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคือกำหนวดวางลงไว้ตามความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นแต่ก็สัมพันธ์กับธรรมะคือเพื่อให้สงฆ์นั้นได้รับประโยชน์จากธรรมะหรือเข้าถึงธรรมได้อย่างดีที่สุดตามปกติจึงพูดว่าวินัยบัญญัติแปลว่าบัญญัติวินยัย หรือข้อบัญญัติในวินัยคำว่าวินัยเทศนามีใช้บ้างเฉพาะในคำภีรุ่นหลังมากๆเช่นในคำภีสารัตถีปณีซึ่งเป็นดีกาของวินัยปิฎกและใช้ในความหมายพิเศษหมายถึงํำน ว, นวนวินัยหรือวิธีแสดงวินัยบัญญัติแม้คำว่าบัญญัติในบาลี จะใช้กับธรรมะด้วยในบางครั้งแต่ก็มีความหมายเพียงว่าเอาความจริงที่มีอยู่แล้วมาวางรูปเรียบเรียงจัดลำดับจัดเข้าเป็นหมวดหมู่เพื่อให้มองได้ชัดเจนเห็นง่ายสะดวกแก่การทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติมีใจวางข้อกำหนดขึ้นใหม่อย่างในวินยัยพึงสังเกตว่าสำหรับพุทธพจน์ ในมหาปริณิพานสูตรที่ว่ามยาธรรมโอจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตอัตถคถาให้แปลว่าธรรมะ ท, ทั้งที่แสดงและบัญญัติวินัยก็ ท, ทั้งที่แสดงและบัญญัติในกรณีนี้พึ่อทราบว่าคําว่าแสดงและบัญญัติที่ใช้กับธรรมะและวินัยมีความหมายต่างกันตามแนวที่อธิบายมาแล้ว